พระธรรมเทศนาแผ่นที่55ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าอยู่ด้วยกันควรปรารณาต่อกัน โอ้วันนี้ฝนตกตกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็ตกทั้งวนันแต่ไม่แรงนี่อันนี้ทาผ้าแรงนะนี่ลายแรงเลยนี่แต่เมื่อคืนน่กตกทั้งคืนไม่แรงแต่ก็ทราบข่าวว่าทราบข่าวจากโซเฟอร์ซเฟอร์หลวงพ่อเนี่ยที่ขับรถไปรับบินทบาทบอกว่า เครื่องบินเมืองลาวตกที่ปากเซ Ï บอก <_ shoulders> ตายไปหลายคนเหมือนกันทั้งลำแต่มีคนไทยตายอยู่ด้วยสี่คนแตาไม่จริงใครตายก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละกับคงที่นั่นคงจะพายุลูกนี่หละลงพ่อว่าเวลาเครื่องบินมันจะล่อนลงสนามมัคนคงจะปะทะกับ ลมกระโชกหรือลมกระแทกอย่างแรงำทำให้เสียหลักทำให้เสียหลักมันทรงตัวไม่อยู่ก็ะทำให้ตกได้ไง่ายๆเหมือนกันนี่แหละความตายของคนไม่ได้เลือกการสถานที่ตายได้ทุกเวลาคนนั้นท่านจึงไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆถึงที่ไหนก็ที่นั่นเพราะชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนวันนี้เป็นวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2556 วันที่สิบเก้าเป็นวันออกพรรษาคณะทายญาติโยมวันพุ่งนี้เป็นวันเตรียมหรือว่าเป็นวันโผนเป็นวันปงผมวันที่สิบเก้าเป็นวันออกพรรษาคณะสงฆ์ปีจำพรรษาสามเดือนออกพรรษาวันที่สิบเก้าวันมรืนนี้วันพุ่งนี้เป็นวันที่สิบแปดและก็กรถินวัดของเราก็วันที่ ยี่สิบเจ็ดที่เขียนขึ้นไป้ายไว้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมออกพรรษาวันที่สิบเก้าแล้วก็ไม่กี่วันหนึ่งประมาณอาทิตย์เร็จเร็จก็ทอดกระถินกระถินสามมกีปีนี้กระถิ น, น, นรวมกระถินสามมกีแต่ท่านอดีตผู้ว่ารถไฟ เป็นผู้นำเป็นผู้นำกล่าวทำถวายรือต้องกรถินนี้ต้องมีผู้หนึ่งเป็นผู้นำทีนี้ก็ให้ปีนี้ให้ท่านเป็นผู้นำกล่าวํำถวายแต่เป็นกะถินสามัคคีร่วมกันทุกหมู่เหล่าปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งกะถินแต่ก็พร้อมกันก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน วันออกพรรษาวันที่19เป็นวันประวารณาคําว่าประวารณาคํานี้ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสอนของที่ท่านอบรมหลวงท่านบอกกล่าวพระสงฆ์วันออกพรรษาปีหนึ่งมีครั้งเดียวจําพรรษาสามเดือนจากนั้นก็นจะได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติศาส น, านกิจ ไปเที่ยวผู้รงบ้างเที่ยวเข้าป่าหาภาวนาบ้างไปสรุปแล้วก็คือการแยกจ้ายกันจําพรรษาเนี่ยไปอยู่ด้วยกัน3เดือนใครจะไปที่ไหนก็ต้องสัตหะกรณิยะไปได้เจวันและก็ต้องกลับมามาแล้วก็ดูอีกราตรีหน่ง แล้วถ้ามีความจําเป็นก็สัตตาหะไปอีกอันนี้ว่าสัตตาหะกรณียะแต่ต้องอยู่สามเดือนให้ครบสามเดือนถ้าอยู่ไม่ครบสามเดือนปรับโทษแก่ภิกษุผู้ที่ไม่จำพรรษาอันนี้กับผีมีภพนในในหลักธรรมคำสอนแต่ในเมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์ก็จะต้องตวารณาต่อกัน คำว่าปวารณาคำนี่นน่าสนใจน่าศึกษาเพราะพุทธเจ้าท่านบรรจัดพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันพอวันที่สิบเก้าจะเป็นวันจะเป็นช่วงไหนก็ได้พระจำพรรษาเป็นร้อยหรือเป็นพันหรือว่าตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปจะ ต, ต้องมีปวารณาสวดเจดติสวดจจตติ สวดจะใช้ค่ายบอกประกาศว่าวันนี้เป็นวันประวรณนาของพวกเราเป็นวันออกพรรษาขอให้พวกเราทั้งไหยรับทราบร่วมกันแล้วก็ขอประวรณนาต่อกันเขียนนั้นก็พระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าที่มีอยายุพรรษากว่าเพื่อนนั่งกระยงปนมมือเหมือนไหว้พระเนะ่ยเมื่อเราไหว้พระประนมมือและว่านโมพร้อมกัน ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่อันนี้คือพระสงฆ์จะทํากิจกรรมจ้องลําลึกถึงพระพุทธเจ้านะเออลําลึกถึงประวัติศาสตร์คือต้นาศาสนาต้นพระพุทธศาสนาต้นความคิดที่แนวความคิดนี้มาจากใครหรือมาจากพระพุทธเจ้านี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นเจ้าของบริษัท พุทธบริษัทคือเป็นเจ้าของบริษัทนัาลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนโมตัสสะจากนั้นก็กล่าวคำภววณาสร้างคำอวุโสปวารเรมิติเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะดันตูมังอันนี้ก็คือคำกล่าวเป็นภาษาบาลีแต่แปลเป็นภาษาไทยออกมาว่าข้าพเจ้า ขอประวรณาขอประวรณาต่อสงพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทําของข้าพเจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีหรือลังเกียดทางจิตใจที่ว่าข้าพเจ้ามีความเห็นผิดขอให้ท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับฟังและนําไปปฏิบัติถ้ามันผิดอย่างที่พวกท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนนะ คล้ายๆกับว่าให้พวกคณะสงฆ์ตักเตือนประวรณาตนต่อสงฆ์ให้สงฆ์ว่าเก่าตักเตือนตนได้แต่ถ้าว่าตัวเองไม่ได้เราไม่ได้ว่ากล่ว า, กาวไม่ได้ประวรณาต่อกันจะว่าเก่าตักเตือนกันก็จะเอาผมไม่ใช่มาอยู่ศึกษากับท่านผมไม่ได้อยู่กับท่านท่านจะมาพูดมากล่าวให้ผมทําไมไอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง ถ้าหากว่าเราปรวรณาต่อสงฆ์อ้าววันออกเป็นษาท่านปรวรณาอยู่ไม่ใช่เหรอแม้ว่าการกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่มันไม่ถูกต้องให้คณะสงฆ์บอกกล่าวตักเตือนกันได้นีะ่ะพอองค์แรกพูดจบองค์ที่สองก็พูดองค์ที่สมก็พูดถ้าอยู่ด้วยกันเป็นยี่องค์ก็พูดทั้งยี่สิบองค์พูดทีละองค์ละองค์ละองค์ไป แต่ละพระแต่ละองค์ละองค์ไปจนจบเจนี่ยนะิตเนี่ยอันนี้คือปวารณาปวารณาในสงฆ์พวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทําของผมด้วยกายด้วยวาจาอด้วยกายก็คือการกระทําที่ไม่ถูกต้องอการกระทำเนไม่ถูกต้องอออกมัดออกมวยลักษณะอย่างนั้นอ่ะแล้วาวาจาคือการกล่าวที่มันไม่ถูกต้อง แต่ว่าใจก็คือความเห็นผิดเออบอกว่าไม่บาปไม่มีบาปไม่มีบุญหรอกนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์อย่างนี้ออแต่หมู่สงฆ์ทั้งหลายได้ยินเออง์นี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนี้นะแต่องค์นี้ทำไมมีความคิดเห็นอย่างนี้ออพระสงฆ์ก็รวมกันออว่ากล่าวตักเตือนว่าท่านอย่าอย่าได้พูดอย่างนี้ ในหลักพิสูจน์ในหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านในพิสูจน์อย่างนี้นะแต่ท่านได้พิสูจน์แต่อย่างถ้าท่านยังไม่ได้พิสูจน์ท่านอย่าไปพึ่งกล่าวอยู่ในเสียหายนะีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละคือพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันในครั้งพุทธกาลมาถึงปัจจุบันหลวงพ่อว่าเป็นแนวทางที่พระพุทธองค์ปฏิบัติแว่าบอกกล่าวแนะนําพระสงฆ์ถูกต้อง ต้องมีปวารณาต่อกันเพราะนานาจิตต่างนานาทัศนการอยู่ด้วยกันมากมายหลายๆจิตหลายหลตระกูลหลายหลาแนวความคิดหลายการศึกษาหลายวิชาอาชีพมาอยู่ด้วยกันแนวความคิดมันก็ต้องหลากหลายเมื่อหลากหลายตัวนี้ก็ถ้าว่าไม่มีปวารณาต่อกันความหลากหลายจัวนี้จะไปคนละทิศคนละทางกันอีกเพราะนั้น พระพุทธเจ้าจึงให้ประวัณาต่อกันผู้ที่รู้ก็บอกกล่าวผู้ที่ไม่ยังไม่รู้ก็จะได้สํานึกได้ว่าข้าพเจ้าได้คิดผิดทําผิดพูดผิดต่อหลักธรรมคาสอนจริงจะได้สัมพวมระวังต่อไปอันนี้ก็คือพระสงฆ์แต่สําหรับหลงข้อว่าถึงจะเป็นของพระสงฆ์ก็เถอะ แต่ถ้าว่าพวกเราเป็นพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็บ่าบริษัทคำนี้ใครเข้าผูาอยู่ข้างในบริษัทมีหุ้นส่วนบริษัทที่ผู้นับเขารบนับถือในบริษัทพระพุทธเจ้าพวกเราควรจะเอาแนวความคิดของพระพุทธองค์สอนพระสงฆ์หรว่อสอนภาพรวมมานำมาปฏิบัติกับตนเอง ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเหมือนกันโคงหลวงพ่อว่านนะสมมติว่าเราอยู่ในสำนักงานอยู่ในสำนักงานบริษัทท่าร้านหรือว่าอำเภอจังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆมีผู้ใหญ่มีผู้น้อยวันหนึ่งเราก็ประชุมกันแล้วก็ประวัติาพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทำของผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจยังไงก็ตาม เราขอให้พวกท่านทั้งหลายบอกกล่าวผมออหรือว่ามีจดหมายเขียนเปิดผนึกออบอกเตือนผมด้วยถ้าผมพิจารณาดูแล้วมันผิดอย่างที่พวกท่านทั้งหลายว่ากล่าวผมก็จะได้สำรวมระวังต่อไปออผมจะได้สำรวมระวังจะไม่ให้มันเป็นเรื่องอย่างนั้นเพราะมันจะเป็นเรื่องหนักใจของหมู่คณะจะทำให้หมู่โคกเพื่อนเสียหาย ทําให้วงการเสียหายทําให้ประเทศชาติเสียหายเพราะว่าประเทศชาติคดีวงการคนดีสํานักงานคนดีไม่ใช่ของเราคนเดียวอ่ามันเสียหายก็เสียหายทั้งหมู่ทั้งคณะด้วยเนี่ยเพราะนั้นพวกท่านหลายบอกกล่าวผมนะแล้วก็คนที่หนึ่งที่2ที่สามที่สจนถึงคนจุดท้ายจุดนู้นเฮ้จนถึงโซเฟอร์รถจนคนที่ทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูจนทํา ดูแลต้นไม้สวนย่อมปรวรนาตนทั้งหมดแล้วก็เมื่อกาวตักเตือนกันแล้วก็นี่แหละต่างคนก็ต่างมึงเคารพสิธิ์ซึ่งกันละกันเคารพในการเชื่อฟังซึ่งกันละกันหลวงพ่อว่านาท่านทาเรานำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ก็คงจะเกิดประโยชน์ และก็พร้อมกันอยู่ในครอบครัวของเราก็เหมือนกันพ่อแม่ลูก เ, เมื่อเรามีโอกาสเราก็ปรารณาเอาเอพ่อในในฐานะที่เป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อได้กระทาสิ่งใดก็ตามาที่ไม่สบายใจของแม่บ้านของลูกทุกคนพ่อก็ยินดีที่จะครับรับฟังเปิดใจเปิดความคิดรับ แนวความคิดของลูกๆทุ ก, กคนบ่าอ ก, กาวพ่อด้วยทราบว่าเห็นว่าเหมาะสมถูกต้องอพ่อก็จะได้สํารวมระวังต่อไปอทั้งแม่บ้านก็เหมือนกันตวาวนาทั้งลูกทุกคนก็วาวนาคุณพ่อคุณแม่เห็นผมเห็นหนูทำอะไรไม่ถูกต้องก็ขอให้ว่าวกาวตักเตือนได้ยินดีที่จะรับฟัง ทำของพ่อแม่ที่จะได้ทำรวมระวังต่อไปถ้ามันไม่ถูกต้องในจุดนั้นหลวงพ่อว่าถ้าว่าเราใช้แนวทางทำคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาประยุกต์ใช้กับครอบครัวกับสำนักการหรือกับตัวของเราทุกๆคนหลวงพ่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์นะคือเปิดใจให้กว้างเอาไว้ไม่ใช่ว่าดันทุลังใครดันทุลังเรา เขาว่าผิดขนาดไหนก็ว่าถูกดันไปข้างๆคู่ๆบางสิ่งบางอย่างก็ใช่มันก็ถูกโย่เรียมหนึ่งแต่เราไม่มองให้กว้างถ้ามองให้กว้างขวางแล้วถ้าหลายคนหลายแนวความคิดคนหนึ่งมองอย่างหนึ่งพูดให้ฟังหนึ่งที่ท่านมองครั้งนี้ใช่ถูกต้องแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเลยสิมองอีกเลียมหนึ่งอีกสิมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ท่าน มีคนหลายหลายหูหลายตาหลายแนวความคิดอบอกกล่าวแนะนําเราก็จะได้ความรู้ของเราจะได้หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะไปฟังแต่พวกศบส อ, บพอเอพลฟอปั้นขึ้นมาแล้วก็เชื่อแต่จํานวนนั้นก็ไม่น่าถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะะ็ต้องขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะ อันนี้ควรจ้ออกพรรษาหลวงพ่อได้บอกกล่าวให้คณะชาติญาติโยมทุกท่านได้รับทราบแบบปวารณานั้นคืออะไรความหมายนะพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อะไรคําว่าปวารณาวันปวารณาออกพรรษาปวารณาออกพรรษาเนี่ยปวารณาปวารณาเรื่องอะไรนี่ยท่านได้ปวารณาตนต่อสงฆ์เนี่ยสงฆ์ทั้งหลายเห็นการกระทําของผม ตั้งแต่หลวงพ่อน่ยสมมติว่าหลวงพ่อมีพระทั้งสี่สิบรูปอย่างเนี้วันออกพรรษาวันที่สิบเก้าแล้วก็นัดไปชุมกันไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งกระยงปนมมือหันหน้าเข้าหากันว่านโมคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวนโมสามจบจากนั้นหลวงพ่อก็กล่าวประวัติาเป็นองค์แรก สร้างคำอาวุโสปวาวเรเม่นีข้าพเจ้าเป็นอาวุโสที่เขาเป็นผู้ใหญ่ในกลุ่มที่มีอายุพรรษามากกว่าพวกท่านในอาวุโสน่ยต่อไปก็สร้างคำพันเตเนี่ยพันเต่ก็เป็นผู้รองลงไปจนถึงองค์จุดท้ายน่ยพันเตทั้งหมดพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทําของผมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ไม่เห็นด้วยใจแต่ล่งเกียดในความคิดผมได้พูดออกไปว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทำดีไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ชั่วตายแล้วศูนย์พวกท่านทั้งหลายได้ยินไม่ใช่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าใชหให้พวกท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนออผมได้ผมยินดีรับฟังด้วยเหตุด้วยผลออออพอพูดจบแล้วกั น, นั่งนั่งลาบลงสงฆ์ทั้งหลายก็สาธุรับไปปฏิบัต สาธุไปว่าเห็นด้วยแล้วองค์ที่สองก็สร้างคำพันเตอีกพอจบลงก็สาธุทุกองค์อีกเอารับฟังรับไว้พิจรารณาจนถึงองค์สุดท้ายนี่แหละคือการประวัตนาในสงฆ์เพราะนั้นคณะจัตธาาญาติโยมผู้ที่ไม่เคยบวชนะก็คงจะไม่รู้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวให้คณะจัทธาญาติโยมได้รับรู้ทราบเก็ดเล็กเก็ดน้อย เป็นแนวความคิดให้กับพวกเราท่าทั้งหลายและจากนั้นก็ได้นำทำคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้อบรมบอกกล่าวแนะนําต่อส่งแล้วก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับพวกเราไม่ใช่วา่าพระพุทธเจ้าเทศเป็นจ้วักขีทั้ง5้าโอ้ท่านเทพเป็นจ้วักขีทั้งห้าล็อกท่านไมไ้เทศให้เราสักหน่อย ท่านไปเทศให้องค์อื่นเอ้ท่านเทศให้องค์นั้นไม่ใช่เทศให้เราสักหน่อยท่านไม่ได้พูดให้เราสักหน่อยอันนั้นแปลว่าเราถึงจะไปฟังธรรมเทศนาที่ไหนๆก็ไม่เกิดประโยชน์ทางนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้โอปัญิโกถึงเราจะได้ยินท่านพูดให้กับใครก็ตามเตมท่านเทศให้กับใครก็ตามแต่ก็เรานํำทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้พูดให้คราวนั้นมา ดูตัวเองทีนี่เออนี่ยท่านพระพุทธองค์ท่านเทศอย่างนี้นะกับคนคนนั้นนะกับคนกลุ่มนั้นนะเราเป็นยังไงเราเป็นอย่างที่พระพุทธองค์เทศหรือเปล่าแสดงธรรมหรือเปล่าเราชั่วอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเราดีอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยเรานเนี่ยคล้ายๆว่าเมื่อเราได้ยินแล้วก็นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเรา พวกเราก็จะเป็นคนดีดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อ ย, อยจนดีที่สุดเนี่ยดีที่สุดคือดีเลิศคือพระอรหันต์ดีเลิศคือพระอรหันต์ที่จะได้เป็นพระอรหันต์เพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนอีกบอกอีกผู้ที่ท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในภาวนาเนะเริ่มต้นตั้งแต่สมัะคือทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วพิจารณา ให้เห็นอนิจจังคูกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายของเราไม่ใช่ของเทียงแท้แน่นอนไม่รู้จะลมหายตายจากเมื่อไหร่ไม่ทราบอย่างที่สลงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าเครื่องบินประเทศลาวตก เ, เมื่อวานนะเนี่ยวันที่สิบห้าวันที่สิบหกวันที่สิบตุลาห้าหกเนี่ยนแหละไม่รู้ว่าเราจะล้มหายตายจากเมื่อไหร่เป็นของไม่เทียงแท้แน่นอนเอาเถอะ น, นั้นเรื่องของเขา แต่อีกสักวันหนึ่งก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอาจจะเจ็บไข้ได้กล้วยบ้างอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราได้ทั้งนั้นเอเพราะนั้นเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราควรจะทำสิ่งนั้นให้มากวนควรจะให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ทานเป็นหนทางของตนเอง คนที่ทําบุญทําทานเกิดภพใราชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากในทำคําสอนของพระพุทธเจ้ารักษาศีลกุมากั น, กนเกิดภพใราชาติใดจะเป็นศีลธรรมคุ้มครองภาวนากระทําให้จิตใจของเราแต่รับความสงบมีความสุขเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ไปนัสสถานที่ใดอยู่นัสสถานที่ใดเกิดนัสสถานที่ใดจะไม่เป็นบ้าใบาเสียจิต เนี่ยเอหอะไรเพราะเราพอนาจิตใจของเราสงบนะอตอนนี้ไปรับพร น, น, นัะเีณเนอรโวเสียงฝนแข่งหมวพอ่อขนานหนักเลยช่วงเนี้ยกำลังเทลงมาอย่างแรงนะรับพร น, น, นัะเีณเนอร